ดังนั้นท่านอาจารย์เสาท่านจึงว่ารีบเร่งภาวนาให้มันถึงความเป็นเองสมาธิที่เป็นเองนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะในบางครั้งได้ยินเสียงเขาด่ามาพอได้ยินพัดแนทนี่มันจะไปยุ่งกับเรื่องเขาด่ามันจะวิ่งเข้าที่สงบของมันอันนั้นหมายถึงสมาธิที่มันเป็นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสมาธิเราต้องนั่งหลับตาแต่เพียงอย่างเดียวแม้แต่ว่าเราฝึกส ต, ติให้รู้พร้อมอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนลับการดื่นทำผู้คิจทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ได้เชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา หากเราจะไปถือเอาเพียงแค่ว่าเวลานั่งสมาธิหลับตาจริงจะเรีชื่อว่าปฏิบัติสมาธิเมื่อออกจากที่นั่งหลับตาสมาธิมาแล้วเราไม่มีสติสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะวันหนึ่งงเราอาจจะมีเวลานั่งสมาธิไม่ถึงสี่ชั่วโมงนั่งแป็นเพียงสามสิบนาทีเพียงชั่วโมงเดียว ไปเอาความสงบแต่ในขณะนั่งเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมไม่มีการสำมรวมสติสัมปชัญญะนั่นก็ไม่คุ้มค่าดังนั้นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธินี่เราจะอยู่ในอิริยาบทใดเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้น อย่าไปเข้าใจในเรื่องของสมาธิอยู่ในวงแคบจนเกินไปทีนี้บางปีบางครั้งเราก็อาจจะไปขัดกันเกี่ยวกับลัทธิวิธีการปฏิบัติสมาธิความจริงเรื่องของสมาธินี่ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดอย่าว่าแตวคนในพระพุทธศาสนา คนในศาสนาอื่นปฏิบัติสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจะต้องมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นอย่างในเมื่อไม่นานมานี้อาตมาก็ได้ข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่กันท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นแนวทางที่จาระนาเด็กนักเรียนมัธยมระดับป อ, อม .4 ม .5 ของโรงเรียนอัจสามท่าน พานำนักเรียนไปฝึกสมาธิที่วัดวะภูแก้วอำเภอสูงเนินเด็กที่ไปฝึกสมาธินั้นมีทั้งเด็กชาวพิตเด็กชาวพุทธหรือบางทีอาจจะมีเด็กอิกอสลามปนไปด้วยพอถึงเวลาจะปฏิบัติสมาธิก็มีการไหว้พระสูตรมนต์ตามขนบธรรมเนียมแล้วมีการกราบมีการไหว้ เราก็มีการสวดมนต์ก่อนอื่นก็ให้คำเตือนเด็กๆทั้งหลายว่าพระเจ้าของแต่ละบุคคลอยู่ที่ใจของตนของตนถ้าผู้ใดมีพระเจ้าอยู่ในใจปราบลงที่ใดก็ถูกพระเจ้าของตัวเองเด็กมันปราบหมดทุกคน ทีนี้พอเสร็จแล้วพอถึงเวลาสวดมนต์อา้าวชาวพุทธสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนชาวคพิเศษสวดมนต์ตามแบบฉบับของศาสนาของตนเองทีนี้ชาวพุทธเราก็สวดอิติปิโสของเขาก็สวดตามสูตของเขาสวดไปที่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างตามที่เขาเรียนมา ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเอ้าท้าพุทธภาวนาพุทโธชาวคลิปภาวนานึกถึงพระเจ้าของตัวเองแล้วเด็กทุกพนมันก็นั่งสมาธิร่วมกันทั้งเด็กชาวพุทธชาวคลิปพอเวลาปฏิบัติสมาธิผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษเศษก็สั่งให้พักเด็กชาวพุทธกับชาวคลิปมันก็หันหน้าก็มาคุยกัน แล้วมาถามกันว่าเธอภาวนาแล้ลึกถึงพระเจ้าของเธอจิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเด็กชาวพุทธถามเด็กชาวคริสต์เขาก็บอกว่าฉันภาวนานลกถึงผู้แทนพระเจ้าของเขาของเราคือพระเยซูเราก็บริกรรมภาวนาเยซูเยซูพอบริกรรมภาวนาไปมันมีอาการเคริ้มเคริมเหมือนกัดเจ้าผู้นอน แต่เราเจตมันก็โอกลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขความสบายมีตีติปลายเบาจิตเบาปลายสงบจิตสงบมีตีติมีความสุขอย่างบอกไม่ถุกซึ่งในชีวิตไม่เคยพบกับความสงบหรืความสุขอย่างนี้เลยแล้วเธอล่ะเธอเป็นชาวพุทธเธอภาวนาอะไร ฉันก็ภาวนาพ ธ, ธิโธพุิโธของฉันเพราะพระเจ้าของฉันก็คือพระพุู้เจ้าฉันก็นึกถึงพระเจ้าของฉันเมื่อเธอเนิ่นถึงพระเจ้าของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรเด็กชาวโพธิก็บอกว่าในเมื่อเนิ่นถึงพระเจ้าของฉันคือพุิโธพุิโธิธโธ์จิตของฉันมันก็สงบลงไปพอสงบลงไปแล้วก็รู้ตื่น เบิกบานสวา่างสวยัยอา้าวทำไมมันเป็นเหมือนกันล่ะเด็กมันก็เลยเกิดความสงสัยพอเสร็จแล้วก็มาถามแล้วต่างคนก็ต่างเล่าความเป็นไปของจิตของตนเองให้อาจารย์ฟังอาจารย์ท่านก็บอกว่า คำที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่นั้นมันเป็นแต่เพียงคาพูดเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเราท่องบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิมันเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะเป็นแตกต่างกันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างเดียวกันคื่อจิตสงบ นิ่งรู้ตื่นเบิกบานนีตีทีมีความสุขอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างอันนั้นคือสัจจะธรรมความจริงใีนี้เด็กชาวเคล็มันก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของเธอกับพระเจ้าของท่านก็เป็นองค์เดียวกันจิตถ้าว่าโดยคุณธรรมก็เป็นองค์เดียวกันเพื่อจิตรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกัน แต่ถ้าว่าโดยชื่อโดยภาษาสมบทปัญญดแล้วมันก็เป็นคนละองค์นี่ข้อมูลที่ได้มาจากเด็กต่างศาสนาแต่ไปทำสมาธิภาวนาร่วมกันในขณะเดียวกันสถานที่แห่งเดียวกันอาจารย์เดียวกันสอนคืออาจารย์จันเขมประตูอดีตจา ว, วาสวัดปัิลาล ง, งกรณ์ท่านไปควบคุมรายการอยู่นั่น เราจะนั้นในเมื่อเรามาอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมานี้ถ้าพิจารณาให้ซึ้งแล้วคำบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งละเลึกของสติใครจะบริกรรมภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้เราจะนั้นอาตมาไปเทศที่ไหนเพื่อแก้ข้อข้องใจ บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายมักจะไปคล้องใจอยู่ว่าภาวนาพุโทโธดีไหมสัมมาระหังดีไหมยหนอพองหนอดีไหมแล้วก็คล้องใจกันตัดสินใจไม่ลงไม่ทราบว่าจะเอาแบบไหนดังนั้นจึงได้เล่านิจายเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจ้าให้นักฟังเทศฟังธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายฟัง จะมาย่ำกันอยู่ที่ตรงนี้ผู้จะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลเป็นที่พอใจต้องมีศีลบริสุทธิ์เพราะว่ากายกับวาจาเรียกเหมือนเปลือกสําหรับหุ้มไข่ใจเหมือนไขแ่แดงซึ่งอยู่ภายในเราจะนําเอาไข่ของเราไปฟักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องรักษาเปลือกไข่ให้ปกติอย่าให้มีรอยร้าวรอยบุบ เพราะฉะนั้นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้เจริญก้าวหน้าทางคุณฑธรรมอย่างตามต้องปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรับลายวาจาให้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลไม่บริสุทธิ์สะอาดการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นไปไม่ได้ดีเท่าที่ควร ถึงเป็นไปได้ก็ไม่มีคุณธรรมอันเป็นหลักประกันความปลอดภัยความรู้ความเข้าใจก็มไม่สามารถแก้ปัญหาจิตใจของตนเองได้นอกจากจะแก้ไขปัญหาของตนเองไม่ได้ยังก่อความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจึง ตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพระเจนั้นสาธุชนจงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดในเมื่อศีลของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษทางกายทางวาจา เจตใจก็มีแนวโน้มไปนในทางที่จะละทุกขปรับพฤติกรรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอันนี้หลักของท่านท่านก็อยู่ที่ตรงนี้ศีลปริภาวิตุศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตที่ท่านอาจารย์มหาบัวท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็หมายถึงปัญญาอบรมจิต ศีลบริสุทธิ์ศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้มาบำเพ็ญสมาธิสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่มีศีลนีเป็นหลักประกันความปลอดภัดยย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ความคิดอ่านที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐินี้มันอยู่กันที่ตรงไหนเราจะสังเกตได้อย่างไร มันอยู่ตรงที่ว่าในเมื่อจิตเกิดความรู้เรามีสติกำหนดรู้เพียงสักแต่ว่ารู้เมื่อโล้แล้วก็ปล่อยวางไปความรล้ความคิดอะไรเกิดขึ้นมารู้แล้วปล่อยวางไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฐิซึ่งเกิดจากสมาธิอันบริสุทธ ซึ่งมีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าศีลปริพาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังสูสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมญญปัญญาปัญญาอบรมจิ ต, จต ที่ถูกปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงด้วยปการะชนิสมาธิที่มีพลังงานต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายจิตเพียงแค่จุดนิ่งเฉยๆเป็นแต่เพียงความสงบหรือเป็นสมาธิที่ยังไม่มีพลังงาน หลังจากที่หยุดนิ่งแล้วก็เกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าสมาธิมีพลังงานเมื่อจิตสบบสว่างแล้วจิตจะมีทางดำเนินไปสองทางทางหนึ่งมีความสง บ, บละเอียดยิ่งขึ้นคือสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ ง, งเรื่อยไป เรียกว่าจิตเข้าสมาธิดำเนินตามแนวทางของฌานสมาบัติแต่อีกอย่างหนึ่งพอสง บ, บนิ่งแล้วเกิด ค, ความรู้ความคิดผุดขึ้นมาจงกระน้ำผู้อันนี้เป็นสมาธิที่จะเป็นไปในทางวิปัสสนา อีกอย่างหนึง่งเมื่อสงบสว่างแล้วจิตพุ่งกระแสะออกไปข้างนอกย่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาเช่นภาพคนภาพสัตว์ผู้ผีปีศาจเทพดายินพรมเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติควรมีสติกำหนดรู้ติดของตนเองเพียงอย่างเดียว ให้มีสติรู้อยู่ที่จิตอย่าไปเผลอหลงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นจริงเป็นจังแต่ความจริงมันเป็นแต่เพียงมโนภาพซึ่งจิตของเราสร้างขึ้นเท่านั้นถ้าเมื่อเรากำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่เมอนๆกับไม่สนใจกับภาพนิมิตนั้นๆ หนักหนับเข้าเมื่อสมาธิมีพลังแกกล่าขึ้นผานนิมิตนั้นอาจจ ะ, จะแสดงอาการตายหลางกายเน่าเปื่อยปุพังไปยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็สดลงไปแหลกทะเอียดเป็นผงหายจมไปในผืนแผ่นดิน ทีนี้บางทีจิตเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวก็จะมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเส่อนอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือถ้าจิตยังไม่ถอนจากสมาธิก็จะกลับเป็นย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนั้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจิตเขาจะปรุงแต่งให้เป็นไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะในช่วงนี้สมาธิของเราถึงความเป็นเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาไม่ได้มีความรู้สึกจะน้อมจิตให้ไปรู้ไปเห็นอะไรทั้งสิน้นแต่หากเป็นความสามารถของจิตที่ปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติ ทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วทุกสิ่งทุก อ, อย่างที่รู้หายไปจิตก็จะเกิดปัญหาถามตัวเองขึ้นมาว่า น, นี่หรือคือการตายจิตหนึ่งก็จะบอกว่าใช่แล้วแล้วก็จะอธิบายต่อไปว่าแต่เมื่อตายลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็ขึ้นอื่น มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดริงนักแม้แต่โครงกระดูกก็สุดลงไปแหลกละเอียดเป็นผงหายจมไปในฝืนแผ่นดินซึ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ไหนเราสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนแค่จริงสิ่งที่เรายึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเขาเป็นของเขามันก็คือดินน้ำไฟลมของเราดีๆนี่แหละในเมื่อดินน้ำไฟลมยังคุมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน มีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในร่างอันนี้มีกายกับจิตวิญญาณมาสัมพันธ์กันส่วนร่างกายก็เคลื่อนไหวไปมาได้ส่วนจิตก็มีอาการคิดดีคิดทั่วคิดโน้นคิด น, น, ดนี่ซึ่งสารพัดที่มันจะเป็นไป แต่แล้วสิ่งนี้โลกเขาสมมติปัญญัตว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาแท้ที่จริงมันก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไหนล่ะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนในจิตมันจะอธิบายให้ตัวเองฟังอย่างนี้แล้วโู้ปฏิบัติก็จะได้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของธรรมะตามความเป็นจริงความเป็นนไปของนักปฏิบัติสมาธิมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งในเมื่อเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนารู้เช่นอะไรก็ตามเขาจะบังคับจิตคมจิตให้มีแนวโน้มไปสู่ความสงบ คือพยายามฝึกเอาหัดเอาให้มันคล่องตัวสำนิชำนานในเมื่อทำนานในการข่มจิตในการบังคับจิตเราสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ความสงบที่เกิดจากการสะกดหรือการบังคับให้หยุดนิ่งนั้นมันเป็นแต่เพียงความสงบ ท, ที่เราตกแต่งเอา ไม่ใช่ความสงบหรือสมาธิโดยธรรมชาติเพราะความไม่เข้าใจเรื่องสมาธิในเมื่อกำหนดจิตของตอนเองให้หยุดนิ่งได้ก็เข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วแต่แท้ที่จริงมันเป็นเพียงความสงบเท่านั้นอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิโดยอาศัยการตกแต่งการน้อม อยากเห็นสวรรค์ก็น้อมไปดูสวรรค์อยากเห็นนรกก็น้อมไปดูนรกอยากเห็นพระนิพพานก็น้อมไปดูพระนิพพานเมื่ออาศัยการน้อมจนชล่องชำนิชำนาญติดมันก็มีสมาธิเข้าการน้อมแต่เป็นสมาธิอ่อนๆแล้วมันจะเกิดหูตาสว่างขึ้นมามองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนางฟ้านางเทวดา แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตตรงแต่งทั้งนั้นอันนี้ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งท่านปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติสอเพียงจะมีสติกำหนดรู้รู้จิตกับอารมณ์อันเป็นคู่ของจิต อารมณ์อันเป็นคู่ของจิตก็คือพุโทโธสัมมาระหังยคหนอปองหนออาณาปานุสติลมหายใจกายจกตากสติที่เราเอามาป้อนให้เป็นอารมณ์จิตนั้นเองในเมื่อเราเอาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราพยายามสำมรวมจิตนึกถึงสิ่งนั้นเช่นคำว่าพุโทโธเป็นต้น ในขณะนึกพูดโทท่านผู้ปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติจะไม่มีการบังคับจิตจะไม่มีการข่มจิตแต่มีสติกำหนดรู้จิตกับอารมณ์ตลอดเวลามอย่างไม่ลดละในบางครั้งถ้าหาก ว, ว่าจิตอยู่กับอริยกรรมภาวนาท่านก็ปล่อยให้อยู่ไปจะอยู่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านก็ปล่อย แต่ในบางครั้งจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดถึงอย่างอื่นท่านก็ปล่อยให้คิดไปบางทีจิตทิ่งไปรู้ลมหายใจท่านก็ปล่อยให้รู้ทีนี้เมื่อปล่อยให้จิตมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันจะวนเวียนอยู่ตรงที่ว่าลมหายใจความคิดความว่าง ลมหายใจความคิดความว่างผู้ปฏิบัติธรรมกาหนดรูปสามอย่างนี้ต่างวาระกันก็หมายความว่าขณะใดที่จิตอยู่กับลมหายใจก็ปล่อยให้อยู่ไปขณะใดจิตมีความคิดก็ปล่อยให้คิดไปขณะใดจิตว่างก็ปล่อยให้ว่างไป เพื่อปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นเองธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาย่อมจะเพิ่มพลังงานขึ้นในที่สุดก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขแล้วลงผลสุดท้ายจิตอาจจะมายึดมั่นอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ในทางธรรมนั้นอันหรือเอามนุษย์เราเอวดาปดีจักมาอะไรบรรดาที่มีอยู่จะเป็นตามาาพจนตามาพจนกตับแปลว่าตัดที่ท่างเที่ยวไป่โดยอังกฤษก็มีการเกิดการตายอะไรวนเวียนอยู่นีไปเรื่อยลอด ผู้ว่าคือคือ4้อยค่ะือด่อตนผู้คือปฏิบัติธรรมอย่างป็นตน้นก็ได้ทานตีทานตีเขาเรียกว่ารยกทานเรงนี้เป็นเป็นเป็นปนระเภทอรูปะารถ้้องมามเที่ยวกะได้หนากของรยกก็คือทานตี ขึ้นไปอหน่อยเป็นอันดับสูงเรียกทางอุมาปจรตรงนี้ไม่มีฤกษไม่มีวัตถุตีตา้งต่หมายอุปคนหรือผู้ติดถนนการตีเื่องตายการแต่ความเพ่งการตีเรื่องตายนี่ไม่มีไม่มีฤกษไม่มีวัตถุเลยอย่างเป็นต้นแบบเพ่งตาบ้างเพ็นตามว่างตาว เป็นวิญญาณอะไรตนต้นเกษ์แล้วสุดท้ายมันเป็นความคือสูงเพราว่าเพะมันจะเป็นเกิดเป็นควตายไปเกิดเป็นความตัวตามาตรตนก็เป็นมนุษย์ตัธรรมดาเรานนี้เดียตามาตรตอแต่ไปอ่านหนังสือพรตรคนี้ย่อมที่เราอาจจะสงสัยนะว่ามันใครัน ตามมาประตอนคือคนธรรมดาสามัญเราเนี่ยมันยังเป็นอยู่เกิดมาแตายไปเลย้ลยเวยสามารเนี่ยอนี้พระพุทธเจ้าทําสอนตัาสอนให้ให้คิดว่ามันมี่สิสามารถนี่มาเกิดจากตัวตนหนึ่งที่ตัวเวลาพักประตอนสำนึกเป็นดีความยอมใจก็ในใจเรานั้นมี มีตัวมีออลาอยู่สอย่างลาะโตลาสมอร์สับหรับสำหรับท่านอนพราคัสบเมแต่ถ้าสอนชาบ้านก็โลัโอสัเมอร์สับาคัตไไม่อเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นสาหรับชาบ้านยงต้องใช้ยงต้อง บริโภคกันอยู่ปัาแราัศน์น่ะเพราะว่าปัญหาความเป็นไ า, า, า, า, า, า, า, า, ายแลควม้ามันอยู่ที่ตรง น, นอาจจะทำลักษาดจากความเป็นเป็นพระเป็นผู้ศรัทธามันบอกว่าสามันี่ก็เป็นเป็นเบว้งเป็นเบื้องมาทให้นก ไม่อาจจะต้นจากทุกในในโลกใดถัาสุดยอดอันนี้สิ้แล้วเราจะจะไม่มีสานเ ก, แ ก, แ ก, แกิดแต่เกิดตายอีกต่อไปมีว่าในทางธรรมะขันตรงแต่เราก็ยังชอบชอบดูเพราะฉะนั้นก็เราจะแครนมๆเรื่อนเรื่องปติดึงเลยการติดตึงนั่นสงสงาย การเวลาาการสะสมหรอเารียกว่าบารมีรมีเรสะสมรก็บเงินทำความดีอะไรไว้ก็เก็บไสะสมเิมให้มันขึ้นไปเ่อยอแในกรรมการทางกางชาวบ้านมันหมายถึงเรื่องเพศเรื่องเพศผู้หญก็พิจาย อันนี้มันมีอันหนึในระหว่างที่เราผนระหว่างที่เราบเพ็นเรียนนะคือการทำสมาธิการทำสมาธิตามที่จะบองคับใจให้อยู่นิ่งนั่นมันมีสะเกียงย่อห้าชนิดซึ่ ง, งเอาเกิดขึ้นมาต่างๆคือเขาเรีวามอนมือวานห้าอันที่หนึ่งก็คือตามมานมใจแต่วะตอต่อใจในสิ่งเหล่านี้ นอนได้ทพอใจในในในตามมายก็วาพี่โดสบสบายอาหารสบายสบายที่ทานง่ายี่สบายที่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยบาทว่าไปยไปถึงเสียงติงเลื่เป็นระนกันอแล้วอันที่สก็พยาบา คือไม่ถูกใจเรามันไปมาเกิดขัดขวางอันที่สก็ถืนมิทธะต่อต่างเงี่ยงเงี่ยงนิ่งเงี่ยยอันที่สก็ตึงตันคิดอะไรอะไรอยแปดหลดูบ้างไม่ดูบ้างคิดไปเยอะตึเอองคิดจั สิทายก็ยิดจิตขาความสงสัยัง เ, เลไม่แน่ ใ, นใจตั้งห้าข้าวนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาขัดขวาเวลาเราจาลอ ง, งจับต้นเป็นความดึงท่านเบียดเหมือนยังกับเราอยู่ในบ้านเรามีเพื่องห้าคนห้าคนห้านิสัย บาทมาต่อประตูเรียบถ้าเราเปิดไหมไม่เปิดประตูรับมันก็จะลอยไปคือต้องคือเราจะต้ตามใจเพื่อนภาพจะมาเนมาอีกใส่ถ้าหาาตามใเราก็จะไปนเี้งใจจะเป็นอกเห็นจะต้องเลิกลม มักน ality, ั้นก็สำคัญอยู่ตรงที่เราคอยคายใจเราไว้คลายใจเราเห็นอยากคายใจคลายใจไว้ฝืนใจไว้การฝืนการคัดทานเรนีเป็นเหตุให้เราบรรลุถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เาปรารถนา มันบอกว่าบรรดาคนทั้งหลายตนที่ตึดผลตัวเองวนั่นแหละเป็นผู้กะตุ้ติดดันต่อไปเถอะมันเสร็จติดก็หมายถึตามตึกในด้านนี้ติดตายติดหยาดตาแล้วึกติดใจทำมันด้รับกามตสดผลแล้วก็จะต้องได้รับผลที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง สิที่เราทำไปโดยมากเราก็มักจะทําตามที่ใจยเราชอบกายที่เราชอบและกายที่เราเห็นเมื่อดีไอ้จริงที่ดีมันที่จริงแต่เก็ต้องการทั้งนั้นะทุกคนเนี่ยเราจะต้องกาว่าดึงก็ดูดึงก็ดีเป็นจริงที่ดีเราก็รลือยู่ปักที่เตะไม่ได้ว่าจริงตรงนี้ไม่ดูแต่ว่าความดีที่เราเราต้องการมัน บางทีมันก็ไม่ใช่ความดีที่ตกตั้งความดีที่ไม่ตกตั้งอย่างเป็นต้นเปรียบเห็นง่ายการดึงที่าเปคนที่ชอบก็เห็นว่าเป็นของดีคนที่ไม่ชอบก็เห็นว่าไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นะไม่เห็นว่าดีเพราะว่าเพราะของธิลามันมีมากมายอย่างแรกก็คือ ทำลายกติในนึงเขาบอกว่าตัมาทัศนานาคนไายนะตัมมาทัศนานาแปลว่าเป็นที่ต่ง้งหรือเป็นเอกให้เกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทแล้วก็ไม่มีสติเมืไม่มีสติแล้วคนเราจะหาจะทาอะไรต่ออะไรได้ทุกๆอย่างคือใจมันขาดนาด ก็อาจจะไปเกิดลมลันกันติ้นตามสถานที่ต่างๆมากมายนั่นก็รักษาแต่บางทีเขาเห็นดีเพราก็ว่ามันมันทําให้สบายตึงสบายแมันสบายทำให้เรื่องกนรพุ่งนี่มีตัวอย่างที่ให้เห็นว่าจิ้งจกจิ้งจกดีนันมันเราต้องระวังด้วยว่ามันดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คันบิดนั้นก็กลาวตามดูเปลี่ยนไามก่าวตามตลาดเราจะรู้จักเลือกดูเลือกในดีเป็ดกันสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่พลาดสิ่งที่ดีเราก็สลาดะเนี้ดีเนี่ยฟ้งระวังว่ามันต้องดูให้ตกทางถ้าดีไม่ตกทางก็เป็นอันตรายคือเป็นมันตรายนัาจะเป็นอันตรายแต่เราแล้วยังเป็นอันตรายแต่ผู้อยู่ใกล้เตียงเดือก เราก็ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกามพิดปฏิบัติธรรมตึงนึงอยู่กับการติดลื้อืนหรือห้าใจเกิดไหเแลือนย่างเราปฏิบัติการตึงยืดตึงต่อนี้ก็ต้องใช้อันนี้ยาให้ขาดสติด้ต้ามีสติจเราต้องทำ ดีนายที่พ่อแนะนำเป็นเชิงเน้นในเรื่องนี้ให้เรามัดวังอย่งางกรเทพระะตัะะตนอนี่เวลารับประเดนของนี่ท่านรูดีที่สดมากต่างข่าวต่งหลักหายตามไม่ต้องได้ในระยะที่จะต้องตามติในเชิงแขนหนึ่งในยักษ ใ, ใต้ตด่เทพรัตลบางองท่าน ลายเคะเงทานก็บอกว่ายังไม่นกยังไม่นอตตจะรับะเกียงนเวลานั่งงนั่งนอันท่านก็ต้องมืรูดเจอตะเกียงมดายที่ายมอรอยู่ในนันาถึงจะนตอันนี้จะเป็นตนเป็นเรื่องังรไม่ปมาไม่ปมามีสติ ไจระมะอย่ทุกทีราเดนทีนี่ยังยังคนธรรมดาเราเอ่อไม่ขนาดนั้นเราเตียงก็คนเตียงจะได้ดีีประโยชน์มากเลยล่ะบนีมีติเออก็มีประโยชน์มากมายาก็ปารามีประโยชน์มากมีปาระมากการ จะเรียนเปนสื่อที่เราจะทำงานนี่จะไ้ทำอะไรอ่ขาขาดก็ติ่ยากคับทำมาเกิดตามตั้งเถอะมีการกังกงประทังที่มันไม่มีอะไรอยู่ตลอดเลยงานต้องจะเป็นผลดีก็จำเพนนมีปรัชญาคีอสำนักหนึ่งเข้าจินเป็นให้ผู้ปฏิบัติไล่ขั้งไว่าเดินหนา ย่างนาะตาวนาะไม่ใช่ไรเตือำับสิิ์ินเนาายเนอหนึงนานอนนาังนาะยึดนาเป็นทางเพือสิิเกสิิจตัภานาทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับตรงนี้ขึ้นอยู่ที่สิิ ตัวนึ่งทัญญันยากนันยื่ตวกระตุ้นทเลิกได้เลิกได้เราเรากำลังทำอะไรทำตับทันยากนันยื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันทองจะหาดกมาสงสัยว่ามีสระตุ้นดีมากมากเราทำไมจะนอนหลับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักได้หลับได้แต่ตอนที่มีกะตุมันตื่นไปเลยกำหนด รวลาได้เป็นแบบเาด้ถ้ารื่มีอะาขยับไปเยก็ะตึงที่จังกรตาะตยังตึงนั่นจับเนไอ้มัดมัดคือในมัดแปดั้มาสติเป็นเป็นเป็นเปัง ไม่เป็นุธรรมดาสามัญสามมาปุตต์เป็นปุตติที่ถูกต้งเลยสามมาแปลว่าโดยชอบแปลว่าถูกต้องรมาสัมทธาเนี่ยเราอธิบาว่าสัจจุแนวโดยชอบสามมาโ ด, าดาาายชอบถูกต้องในวิตับตามมานนันทัญญานั้น เราทำได้